เพราะฉะนั้นขอบเขตสโขบของการศึกษาศาสนาพุทธศึกษาอยู่ที่กายกับใจนี้จนละความเห็นผิดได้ว่ากายกับใจเป็นตัวเราอยาให้ออกนอกกรอบนี้ออกนอกกรอบนอกสโกบอันนี้นะก็อ้อมค้อมเสียเว ล, เวลาบางคนมาตั้งหน้าตั้งตานะจะมานั่งถกแถลงทางปรัชยานะเ <laughs> <laughs> มื่อวานก็มีดีว่าลกพอไม่ได้คุยด้วยเป็นบุญวาสนา